หรืทุกวันนี้ก็ไปกลับไปไหว้อะไรต่างๆสังเวชนิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาไหว้องนั่นเป็นพระอริยะมอาไหว้อง์นี้เป็นสุปฏิปัโนไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของเราทุกชีวิตที่เราสวดว่าผู้ดใดเห็นธรรมผู้ดใดเห็นธรรมคือผู้นั้นเห็นปฏิจจสุ ป, ปบาท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 มากในโลกเนี่ยจะเจงมารับรู้รับเห็นให้ตัวเหล่านี้มันได้คำตอบอเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องหลุดทนจะเอากายเอาใจมาเป็นเครื่องอุปทาน ย, ยึดยึดจนใจขาดลองให้เสียใจเขาบอกพระเจ้าบอกเราว่ามันก็เป็นชนะความชราให่ท่าอดนำเข้ามายั่งยืนไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เพพาะตนมันก็ไหลไปของมัน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 นห่จะใกล้ถึงมาถึงแล้ววันวิสาขบูชาแม่ก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าการตัดจะรูปของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแท้ๆไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของส่วนรวมทุกคนทุกชีวิตแล้วก็ไ่ต่อไปเข้าด้ผ่านในร่วมหาวิลัลที่ใดมาอยู่กับตัวเราเน่ยมารู้มาศึกษาพวกเราที่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรได้จริงๆนะ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 ชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งอื่นถ้าสิ่งอื่นที่มันทําให้เราเลยเป็นของเราเอาอันอื่นมายึดท้องมันก็เป็นทุกข์แล้วอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเอาไปแขนไว้กับอันใดที่มันผุพังอันใดที่มันหักง่ายๆบางอย่างที่เราไปแขนไว้มันไม่ใช่เรามไปคนอื่นอันอื่นไปมันก็พลาดได้แล้วก็หอกเก็บปวด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 มาดูมาดูโอ้บรรณายโกน้อมเราเข้าไปไปเป็นผู้รู้เป็นเห็ น, เ ห, นเห็นมันหลงที่ใดก็รู้ที่นั่นนะ่ะน้อมไปอย่าไปทำอันเดินอย่าเอาเหตุเอาผลวันทีมันออกไปเอาเหตุเอาผลเอาตัวเองไปเป็นที่วัดเราชอบเราไม่ชอบยกมือจ้างจังหวะเราไม่ชอบนั่งนิ่งๆอย่า ง, น, งนี้เราชอบเราชอบแบบนี้นิสัยเราชอบอนี่เอ้านิสัยอะไรนิสัยอุปทานเอามาลู้เชื่อๆเนี่ย